อลองลองดูนะว่าว่า <c oughs> สูตรนี้เนี่ยจำไม่ยากเลยนะฮะประถมนะตุมหากระสูตรนะครับว่าด้วยการละสิ่งที่ไม่ใช่ของตนดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นเธอทั้งหลายละเสียแล้ว จักมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขดูก่อนพิสุขทั้งหลายสิ่งใดเล่าไม่ใช่ของเธอทั้งหลายจักสุไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละจักสุนั้นเสียจักสุนั้นเธอทั้งหลายละเสียแล้วจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเนี่ยหนึ่งแล้วนะตานะต่อไปเดาวได้เลยคืออะไรฮะเดี๋ยวก่อนในฉกาจกาสูตรอะพอพูดตาแล้วพูดอะไรรูปนะ ดูก่อิสูจน์ทั้งหลายรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสียรูปนั้นเธอละทั้งหลายละเสียแล้วจากมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแล้วต่อไปอะไรจากสู่วิ ญ, ญญาณใช่ไหมพูดถึงตาแล้วพูดถึงรูปแล้วต่อไปอะไรจากสู่วิญญาณใช่ไหมจาง่ายไหมไม่ยากเลยจากสู่วิ ญ, ญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละจากสู่วิญ ญ, ญาณ น, นั้นเสีย จากสู่วิญญาณนั้นเธอทั้งหลายละเสียแล้วจากมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเพื่อความสุขาแล้วต่อไปอะไรอ้าเก่งๆมากจากสูสัมผัสไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละจากขู่สัมผัสนั้นเสียจากขู่สัมผัสนั้นเธอทั้งหลายละเสียแล้วจากมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขต่อไปอะไรอ้าวเก่งมากเก่งมาก สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักรสู่สัมผัสเป็นปัจจัยไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออาทุกขมสุขเวทนานั้นเสียสุขสุขไหฮะสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนานั้นเธอทั้งหลายละเสียแล้วจากมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข นะอ่าต่อไปต่อไปอะไรเดาได้เลยเดาที่เดาที่เดาที่ต่อไปอะไรตาแล้วอะไรหูสบายมากเลยโสตนะก็ไล่ไปเรื่อยโสตะไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายละโสตะาได้แล้วเนี่ยก็ไล่ไปเรื่อยเลยเนี่ยพอโสตแล้วต่อไปอะไรศัทธาพอศัทธาแล้วต่อไปอะไร สโสตาวิญญาณใช่ไหมแล้วต่อไปอะไรโสตะสัมผัสใช่ไหมแล้วต่อไปอะไรต่อไปก็สโสตะสัมผัสตชาเวทนาสบายมากเลยใช่ไหมจำนิดเดียวท่องได้เลยนะเอาลองไปท่องดูก็แล้วกันดน้นผู้ดใดที่มีโครงสร้างของจักจักรสูรแล้วนี่ก็ จะท่องได้อีกเยอะเลยแล้วก็จะอ่านคัมภีร์รู้เรื่องอีกเยอะเลยเพราะว่าท่านก็จะเทศนาไปตามไปตามหัวข้อเนี่ยครับตั้งแต่อาจจะขึ้นต้นในรูปบ้างจากขูบ้างแล้วก็ลงท้ายด้วยเนี่ยนะครจากขูสัมผัสตชาเวทนาเนี่ยนะครับพวกผมให้พี่ๆเขาเริ่มท่องเนี่ยตรงนี้เพราะมันง่ายหน่อยนะเริ่มท่องตั้งแต่ว่า บุคคลอาศัยรูปและจักกูจึงเกิดจากกูวิญญาณทำสามประการประชุมการเรียกว่าจาักขกูสัมผัสจักกูสัมผัสเป็นปัจจัยให้เกิดจักรกูสัมผัสสชาวเวทนาเนี่ยก็ไล่ไปเรื่อยเลยวนหยุดแล้วครับ มูมีเป็นยังไงจะทำปริญญาอะไรอยู่ตอนนี้ยังไม่รู้อ่าปริญญาแว่าสงเคราะห์คุณมุนมีหน่อยใครดีนะสงเคราะห์คุณมุนมีหน่อยอแจกไปเคยอา่านจะติดตามเล ย, เยวต่อไปจะเวน้นถ้ามีเขาแจกก็จะ เ, เว้นไว้ที่หนึ่งเสียดายหนังสือ ได้ทวานหูนะทวานตาเมื่อดีวมันก่อนเขาเปิดเพลงะอ่านธรรมะเป็นมากคางโบสถ์วัดเจดีย์หลวงในสมุททยอริยสัจเนี น, นะที่เรากาลังเรียนถึงซึ่ง ตัญหาที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมชาติที่นำเกิดอีกหรือว่าเป็นตัวที่นำเกิดในภพใหม่คือเป็นตัวที่ประสานเป็นตัวที่เชื่อมนะเป็นตัวที่เป็นตัวเย็บอ่ะนะใครเคยเย็บผ้านะก็จะเห็นชัดว่าผ้าสองชิ้นเนี่ยมันติด ก, กันได้อย่างไง ก็อาศัยเส้นได้มาเป็นเครื่องเย็บฉันใดตัณหาก็ฉันนั้นเป็นตัวที่เย็บจากพบหนึ่งไปสู่อีกพบหนึ่งนะ น, นะเย็บอะไรนะเย็บกรรมให้มีวิบากเย็บเนี่ยเย็บตาเย็บตาอันนี้เนี่ยเชื่อมให้มีตาในพบใหม่เย็บหูอันนี้เชื่อมให้มีหูในพบใหม่เรียกว่าเย็บพบเอาไว้กับพบ เย็บคติเอาไว้กับคติเย็บกําเนิดเอาไว้ในกําเนิ ด, ดเย็บกรรมเอาไว้ในวิบากแล้วก็เย็บตาเอาไว้กับสีพระผู้มีพระภาคปเปรียบเทียบว่าอายตนะภายในเนี่ยนะก็อย่างหนึง่งอายตนะภายนอกก็อย่างหนงึ่งตัณหาเนี่ยท่านบอกว่าประดุดเชือกเพราะว่าเป็นตัวสังโยชน์ สังโยชน์อันนี้ประดุดเชือกมัดตาเอาไว้กับสีฉะ น, นั้นธรรมชาติของตาจึงชอบดนะูเพราะว่าตาเนี่ยมันเป็นทวารของตันหาเป็นที่ไหลมาแห่งตันหาหรือว่าอะไรไหลเพื่อให้ตันหาเกิดเพราะฉะตาหูจมูกิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นทวารที่ทําให้ตันหาไหลมา ตาเนี่ยอาศัยตันหาเนี่ยมัดให้ติดกับสีตันหาเนี่ยมัดหูให้มันติดกับเสียงให้ชอบเห็นชอบได้ยินเป็นต้ น, น่ะนะตรงนี้หน้าฝนนะไปเจริญอโปกระสินกันดีกว่าเนี่ยนั่งดูต่อมน้ำเนี่ย นั่งดูตอมน้ําเห็นป่ะออกมาเห็นตอมน้ำเลยนะตอมน้ําเหมือนขันอะไรเหมือนเวทนาขันทําไมเวทนาขันจึงเหมือนตอมน้ําตอบมาทีละคนนะดูแล้วก็อธิบายพี่ทําไมตอมเวทนาทําไมจึงเหมือนตอมน้ําฝนมันตกกันเลยคุยเรื่องนี้กันเลย มอยุพิมพ์ก่อนอ่ะบนหน้าห้องเออร้องทำไมเวทนาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ า, า, จาถึงตบบว่าเหมือนต่อมน้ำก็ <c oughs> ธรรมดาของต่อมน้ำมันรวมมันเกิดจากน้ำหลายๆหยด <c oughs> รวมตัวกันแล้วก็ ไอ้นั่นมันตองน้ําอันนี้ตอมน้านําัวละอันอ๋อตอมตอม น, น้ำํำหยดน้ําไหลๆออน้ำไหลๆหยดเป็นเป็นสายลงมาห <c oughs> ยดหยดแล้วดูสิทำไมมันเป็นแล้วมันก็สลายตัวไปแสดงว่ามันมันเกิดขึ้นเดี๋ยวเดียวแล้วก็แล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงไปจ า, จากสกสุก ที่เราก็าใช้ไว้เป็นสุขที่จริงมันก็คือทุกข์ถ้าถ้าเป็นทุกข์ก็ก็มันมันก็ไม่เที่ยงมืนเหมือนเป็นเหมือนลูกศรทิมแทงถ้าอัตุอทุกระสุามาสุกก็เหมือนกับก็ไม่เที่ยงอีกเนาะก็ไม่ก็ไม่เที่ยงสรุปแล้ว ถ้าเราไม่ทําปริญญาในสุขในทุกใ น, นทุกกรรมสุขก็วัตตะก็ยาวปีกถ้าถ้าสุขเราเราก็เพลินถ้าทุกก็โศกเศร้าโทรมานาถ้าทุกกรมสุขก็เฉยเฉยก็คือโมหะครอบงาสรุปแล้วก็วัตตะยาวปีกคุณกัน เวทนาเนี่ยที่อุปมาเหมือนตอมน้ําในเพนะ้าปินทศูล น, นะเขาบอกว่าหาสาระไม่ได้คือจับคว้าก็ไม่ได้คือถึงถึงจับได้ก็แวบหนึ่งแล้วก็สลายไปเวทนาก็เกิดขึ้นแบบอย่างรวดเร็วอาศัยปัจจัยปรุงแต่งไม่เที่ยงจึงคิดว่าเป็นขอจึงอุปมาเป็นตอมน้ําเพราะว่างเปล่าหาสาระไม่ได้เท่านี้ค่ะ ดาวเอานะคะก็คือคือมันเป็นเวทนานี่มันต้องเกิดมาจาก เ, าเกิดภาษาก่อนก็ฝนมันตกลงมาแล้วมันกระทบกับน้ําตรงนั้นแล้วมันก็กระเด็นขึ้นมาก็เหมือนกัมันก็เกิดเป็นต่อมมันก็บ่านั้นเป็นเวทนานที่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปในเวลารวดเร็วไม่มีสาระดาวนะคะถูกไม่ถูกไม่ทราบคะ่ะ เวทนาอย่างอย่างตอมน้ำเหมือนเวทนาครับถ้าเวทนาเนี่เกี่ความรู้สึกของคนของเรานี่แ่ใช้เวทนาทั้งทั้งคนเวนาคนอถ้าเวทนานี่มนก็เกกาที่มีชิตแต่ที่้โยงไปที่ถ่าเวทนาเหมือนต่อมน้าถ้าเราดู เราดูน่เป็นเป็นเวทนาเราจะคิดยังไงกับกับต่องน้ำนี้ืถ้าสมมติเราคิดไปในทางถึงภารนันนี่มันก็ถึงเราถ้าสมมติว่าเราเราคิดว่าน่าเป็นปลาอโกรอะโกรข้ากับอะโกรข้าวเรื่อยกันแล้วกระทบกันต่อมน้ำหรือต่อมน้ำที่อย่างนี้ก่ได้ ว่าไปเรื่อยเดี๋ยวผู้การเฉลออยเอง ไ, ไม่เป็นไร รงมาวสาร์ครั้งต้นแท็กซี่มันถึง่เขียวมันจะมีความสายมันจะมีความติดต่อกันแล้วไทางสายมันจ้มัความติดตอกันแล้วไม่ทางนะคะเส็จขึ้นแล้วมันจะมีความรู้สึกที่ดรือว่าได้ดีก็แล้วแต่เออมาอยู่ในสถานะที่ว่า จะ่ว่าจะ้ถามว่าฝนตกเนี่ยนะ เห็นน้ำมันหยดออกมาแล้วก็เกิดต่อมน้ําปุ้งขึ้นมาปุ้งใช่ไหมแล้วก็มันก็หมดไปเนี่ยเห็นต่อมน้ําเนี่ยแล้วเนียให้พิจารณายังไงหมายความว่ายังไงว่าเวทนาเหมือนต่อมน้ำเวทนาเหมือนต่อมน้าเวทนาเหมือนต่อมน้ําเพราะต่อมน้ําเกิดขึ้นประเดียวเดียวแล้วก็หมดสิ้นไปเพราะเวทนานี่ที่เกิดขึ้นนี่ก็ เหมือนกับความสุขที่เกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆแล้วก็หมดไปพอสุขหมดไปก็ทุกเกิดขึ้นแทนเพอพอสุขคลายก็ทุกข์เกิดเกิดขึ้นแทนเพราะฉะนั้นแล้วตบน้ำนี่ก็จะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นทั้งความสุขความทุกข์จะเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่จะทุกข์มากกว่าสุข เราสังเกต ต, ต่อมน้ำานฮ ะ, ะจะมีลักษณะว่าอาศัยผนที่ตกลงมาคืออาโปธาตุกับอ่าวายโยที่เป็นธาตุลมกระทบกับปฐวีที่พื้นองค์ประกอบนี้ก็ทำให้ลักษณะต่อมน้ำเกิดขึ้นก็เป็นลักษณะเดียวกับที่ว่าอาศัยอารมณ์วัตถุเกิดจากคูวิญญาณการประชุมธรรมะสามอย่างคือภาษาภาษะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาถ้าภาษาเปลี่ยนเวทนาก็เปลี่ยน องค์ประกอบคือปัจจัยนี่เปลี่ยนเวทนานก็เปลี่ยนการไม่สรุปมั้งอหรอมไม่ทำป ร, ริญญามาม เ, เป็นหมดแล้วเวลามันก็ตายเป็นเัมนกันนะผ่าน ฝนกวนเหลือเกินน้ำหมดพอดีเลยนะอันนี้จะโตคือถ้าเราสังเกตชีวิตที่เป็นจริงตามทวารของเราเนี่ยนะนะก็คงจะเห็นว่าอย่างทวารตาเนี่ยในโลกของสีที่เห็นเนี่ยมันมีกี่สีล่ะทุกสีเนี่ยมันเป็นอารมณะปัจจัยของเวทนาหมดเลย แล้วในโลกของทวารตาของเราเราก็ตาของเราก็ไม่ได้เพ่งนิ่งๆิ่งที่ไหนใช่ไมมันก็มีการกลับกรอกเปลี่ยนจากสีหนึ่งไปสู่อีกสีหนึ่งแต่ละสีเนี่ยนะถ้ามองมองตาเหมือนกับเม็ดฝนที่ตกมาจากข้างบน <c oughs> มองอารมณ์เนี่ยประดุดพื้นน้ำที่รองข้างล่างคือน้ำฝนที่มันจะเป็นฟองขึ้นมาได้เนี่ยนะที่เรียกว่าตอมน้ำเนี่ยที่ตกลงมาต้องเป็นน้ำ ที่อยู่ข้างล่างก็ต้องเป็นน้ําทั้งคู่เนี่ยนะคือสมมุติอันนี้เป็นพื้นน้ำไหมเม็ดฝนมันตกลงมาเนี่ยกระทบกับพื้นน้ําข้างล่างมันก็จะเกิดเป็นตอมน้ําขึ้นในระยะสั้นๆเนี่ยนะแต่ถ้ามันเยอะๆ ๆ, ๆ, ๆกองกองเป็นฟูๆเหมือนฟองสบู่ถ้ายัางเรียกว่าฟอง แต่ถ้าอยางเงี้ยแล้วก็แตกไปแล้วก็ตกมาอีกติ้งแล้วก็แตกไปถ้าอย่างนงี้ยเขาเรียกว่าตอมน้านี่มองว่าตาที่กระทบลงมาเนี่ยนะอันนี้อายตนะภายในพื้นน้ำนี่เป็นอายตนะภายนอก ธรรมะสองอย่างนะระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกในโลกของต่อมน้ำเนี่ยคือคือขันอะไรบ้างวิญญาณขันก็คือเท่ากับจิตใช่ไหมนี่อะไรเอกมีสัญญามีผัสสะมีเวทนาอัน น, น, นี้ยกเป็นตัวอย่างนะ พันอย่างเรายกให้เวทนาเนี่ยอุปมาประดุดตอมน้ําแสดงว่ามีองค์ประกอบคืออายตนะภายในเช่นตาประดุดน้ําที่ตกมาจากข้างบนกระทบกับสีก็เกิดตอมน้ําขึ้นเกิดเวทนาขึ้นทั้นถ้าเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนช่างสังเกตเลยนะแต่ละสีแต่ละสียกตัวอย่างว่าดูผ้าลาย โดผ้าลายนี่จะเห็นชัดว่าแต่ละแต่ละลายหรือแต่ละลวดลายเนี่ยนะจะให้เวทนาที่แตกต่างกันนะแต่แต่ละลวดลายจะให้เวทนาที่แตกต่างกันอันนี้ในโลกของสีนะแล้วในโลกของเสียงวันเวทนาทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนตอมน้ําก็จริงแต่ว่ามีมีสักครั้งหนึ่งไหมที่มันหยุด เวทนาในทวารหกเนี่ยนะมีสักครั้งหนึ่งไหมมันหยุดมันประดุดต่อมน้ำจริงแต่ว่าประดุดฝนตกทั้งปีทั้งชาติเพราะว่าไอระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอก ก, กระทบกันเนี่ยเาเรียกว่าภัสสะใช่ไหมผัสสะ น, นี้บอกว่าเหมือนโค่นหนังปอกการ ก, การะทบกันก็มีอยู่ตลอดเวลาอันเวทนาก็เกิดอยู่ตลอดเวลา ก็นี่แหละโทษของไม่อ่านให้อ่านก็ไม่อ่า น, นนะแจกซื้อไปก็เก็บหนังสือเล่มน่ผมอ่านเป็น เ, เลบ า, ามามาเข้าเรื่องเข้าราวเราสักทีหนึ่งนะไปไกลามากแล้วใน เมื่อวานที่พูดถึงตัวตันหาตันหาเนี่ยโปโนพวิกาเนี่ยนะมาจากคำว่าปุณนะบวกภวะหรือเนี่ยนะภาวะกับพบอันเดียวกันเนี่ยนะปุณณะก็แปลว่าใหม่หรืออีก พบพวิกะอีกาตัวนี้คือตันหาตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดพบใหม่อีกแสดงว่าตอนนี้มีพบเก่าอยู่แล้วใช่ไหมพบเก่าก็คือเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนก็ถือว่าเป็นพบเก่าพออาศัยพบเก่าพบเก่าคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอันนี้เรียกว่าอุปติภพตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอุปติภพใช่ อาศัยอุปติภพอันเนี้ยเกิดตัณหาตัณหาตัวนี้มันเป็นตัวที่ทำให้เกิดอุปัติภพอีกอเกิดอุปัติภพอีกคือทำให้เกิดภพใหม่เห็นสูตรเขาง่ายๆใช่ไหมว่าเช่นอุปติภพคือตาเป็นปัจจัยแก่อะไรก็ตาอีกอย่างเงี้ยสูตรเขาเป็นอย่างี้ ตัวตันหาตัวนี้อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่เย็บเอาไว้นนะเย็บระหว่างพอบหนึ่งไปไปอีกพอบหนึ่งลดระลุมนิดนึง่งคุณมลเมหันหันตัวนั้นออกไปหาคุณอีกนิดหนึง่ง เ, เอาอนนั่นแหละโอเคน ะ, ะมันเป็นตัวที่เย็บระหว่างพบหนึ่งไปอีกพอบหนึ่งนั่นนะเป็นตัวร้อยเอาไว้ประดุดเย็บผ้า ก็บอกว่าเย็พบพสามเอาไว้กับพบสามเย็บกำเนิดสเอาไว้กับกำเนิดนะเย็บอะไรวิญญาณทิติเอาไว้ให้เกิดวิญญาณทิติเย็บคติเอาไว้กับคติเย็บกรรมเอาไว้กับผลงงกรรมเรียกว่าวิบากนั่นเองนั่นเอง ันตัวตันหาเป็นตัวเย็บอย่างนี้ก็เลยใช้ศัพท์เดียวว่าโปโนพวิกาตัวที่นำเกิดในในพบใหม่ซึ่งตันหาเนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่เป็นธรรมชาติหยาบมากเลยใช่ไหมแต่ว่าสมมติว่าใครจะชอบหรือใครไม่ชอบนี่เราเห็นเห็นกันเลยใช่เออนี่เขาชอบนะนี่เราชอบนะอันนี้เห็นเห็นเลยแต่เราไม่เห็นในฐานะเป็นโปโนพวิกาไม่เออ คือไอ้ตัณหาอันนี้แหละที่เรียกว่าพระ อ, องค์ตรัสว่าเห็นย่อกอ น, นะว่าตัณหานี้เป็นอายุหนะเนีน่ยนะอะไรนิทานะปริพโธดแล้วก็สังโยชน์เนี่ยนะ เธอตัวเนี้ยธรรมชาติของเขาเวลาเขาเกิดขึ้นเขาทํากิจอันเนี้ยกิจนําไปสู่พบใหม่อายุหนะทํากิจเป็นเหตุแห่งพบใหม่เป็นตัวที่พันพันเอาไว้อนะทําให้ตัดใจไม่ได้ก็เพราะไอ้ตัวนี้แหละตัวมันปริพเทอนะรู้ว่าเออมันมันไม่ดีมันน่าออกแต่ว่าออกไม่ได้ปริพเทอนะอะไรนะเทเขาโบราณเขาแต่งอะไรนะ มันหนักหน่วงว่างั้นเถอะเพราะมันคอยเป็นห่วงเป็นใยเพราะลักษณะของเขาเนี่ยคอยเป็นห่วงเป็นใย ผู้ใดเห็นโดยายานอันเดียวเนี่ยนะยานเดียวที่บรรลุอริยสัจเนี่ยเป็นปฏิเวทยานปฏิเวทยานที่แทงตลอดสมุทัยสัจธาบรรลุสมุทัยสัจสัจจะที่เหลือก็ต้องตรัสรู้ด้วยทีนี้ตรัสรู้สมุทัยว่าเป็นอายุหนะอันนี้คือตัวตัณหาเลย ตัวตัณหานี่เป็นอายุหนะเป็นตัวที่นำไปสู่พบใหม่ส่วนต่อไปอีกนิทานนิทานเนี่ยคือเหตุใช่ไหมทำเป็นเหตุของอะไรก็เหตุของทุกข์เพรา ะ, ะถ้าพูดเหตุปับ๊บผลก็พูดแล้วคือทุกขศาสตร์เนี่ยพูดแล้วเพราะตัณหาในฐ า, านะเป็นต้นเหตุตัวต่อไปสังโยก สังโยคะเนี่ยนะโยคะตัวประกอบนะตัวที่ทำให้ประกอบพร้อมอันนี้เห็นอะไ ร, รเห็นนิโรศสั จ, จะเพราะธรรมชาติของนิโรธเนี่ยคืออะไรนิสรณะไนหะธรรมชาติของนิโรธเนี่ยออกอันนี้มัดอะ่ะถามว่ามันมันมันต่างกันขนาดไหนว่าตัวตันหาสมุทัยมันเหมือนแม่แม่เหล็กฝ่ายฝ่ายที่มันดูดติดหนับอ่ะนะ นิโรศศาจตรมันอีกฝ่ายหนึ่งที่มันมันผลักออกลักษณะนั้นนั้นธรรมชาติของถ้าพูดถึงยึดมันก็เท่ากับพูดอะไรพูดปล่อยเั้นคนที่มองเห็นว่ายึดอยู่คนนั้นจะต้องมองว่าปล่อยเหมือนว่าถ้าพูดมืดหมายถึงพูดอะไรอยู่สิ่งที่มองตรงข้ามคือสว่างถ้ามาพูดดาแสดงว่าเปรียบกับเขาถ้าพูดเลวแสดงว่าเปรียบกับดี ถ้าพูดผูกพันก็แสดงว่าพูดปล่อยถ้าสังโยคอปปนะ่ปริพโธดเนี่ยนะปริพโธดนี่มันแปลเป็นไทยๆว่าคอยเป็นห่วงเป็นใ ย, ยแต่ว่ากังวลหรือเปล่าติดต่กังวลไอ้นั่นฟังไม่ดีมันเป็นโทสะอันนี้เขาเรียกว่าคอยเป็นห่วงเป็นใย คอยอะไรนะใ ย, ยมันห่วงไปจริงนะภาษาไทยบางทีก็คิดตาม ม, มันก็เห็นชัดเหมือนกันนะห่วงกับใ ย, ยก็เลยทั้งห่วงทั้งใ ย, ยอย่างเงี้ยนะห่วงก็คือะอะไรนะมั น, ม, นมันเหมือนโซ่ติดกันในชะ่ไหมแล้วใ ย, ยนี่มันเยอะเป็นใ ย, ยเหมือนไม่น้าําคอยเป็นห่วงเป็นใ ย, ยปริโภทศเป็นห่วงเป็นใ ย, ยซึ่งต่างจากมัด มรคนี้เป็นนิยานิกะอันนี้นําออกปริพศนี่มันนําเข้าอย่างเดียวนี่นะปริพศนี่มันนําเข้าธรรมชาติของตันหาเนี่ยนาเข้าในวัตะใช่ไหมปริพศนี่คือมันเป็นตัวที่ที่นําเข้ามาในวัตะสมมติถ้าพูดแบบง่ายๆเลยนะถ้าใครมีกังวลห่วงใยในเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งนะแสดงว่าไม่นานจะต้องเข้าไปสู่สิ่งนั้นเลย เช่นห่ว ง, ง, งผู้การห่วงรีสอร์ตอย่างเงี้ยห่วงมากเลยนะคิดนาทีหนึ่งตั้งสองครั้งอย่างเงี้ยห่วงบ่อยคิดสัก3ามวันใ น, ในที่สุดโคจรไปแถวรีสอร์ตจนได้อันนี้คือลักษณะของสมุไทยนั้นเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นห่วงเป็นยายอย่างนี้ก็แสดงว่าวัตะมันยาวแต่ถ้าเป็นมรคนิยานิกะธรรมชาติของเขานำออกซึ่งต่างจากตันหาคือตัวนาเข้าในวัตะ ตัวมรคนี้เป็นตัวที่นาออกจากวะตาเพราะถ้าเห็นอัฐาของสัจจะอย่างนี้เนี่ยนะอันนี้เรียกว่าปหานะปฏิเวทะปะหานะปฏิเวทะบรรลุ ด, ด้วยการละเนี่ยนะละทั้งสประการเพราะถ้าพูดว่าแทงตลอดสมุทยัยสัจก็เท่ากับแทงตลอดสัจจะ4ประการเพราะพูดอายุหณนะคือตัว ตันหาคือตัวสมุทยัยนิทานก็เท่ากับพูดทุกถ้าพูดสังโยคาก็นิโรธที่สลัดออกถ้าพูดปริพภ o t มักนำออกอนะนิสระณะสลัดออกมักตัวที่นำออกเครื่องมือในการนำออก